ก่อนที่จะเป็นสมาธิทีแนบหนึ่งที่แน่นอนจริงๆนั้นไม่ใช่คิดนึกเดาคาดคะเนคาดการเอาไม่ใช่ต้องตั้งสติสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวความรู้ตัวในตัวสติต้องระลึกซะก่อนจากนั้นพอระลึกเสร็จแล้วสํานึกตัวได้แล้วนะ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 ขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปนมมือขึ้นระหว่างอกสักก่อนคือไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประ ส, ง, ททรรมมสงค์พุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสจบสมครั้งเพราะว่าการทําสมาธิไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนําเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราจะนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราต้องยกมือไหว้ครูสกรักก่อน เพระพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ เ, าเราต้องยกมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนเราจึงไหว้พุทธโธรำโมสังโฆจากนั้นเราก็เอามือลงพอเอามือลงนั้นก็กหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนรว่าภาวนาพุทโธสายลุงปู่มั่นนะถ้าหาว่าเราไม่บริกรรมพุทโธด้วยมีแต่กาหนดลมหายใจเข้า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 จาคานุสติะระลึกถึงทานของตอนเทวตานนสติะระลึกถึงคุณของเทวดาทำคุณยังไงทำอย่างไงจึงได้จะเป็นเทวดาเป็นคนดีได้ไออันนี้ก็คือเทวตาจากนั้นก็นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นหลักภาวนาพุทโธ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 จับมันก็ร้อนเอาเถอะเราไปจับไฟในที่มืดๆปิดประตูหน้าต่างดีๆจับมันก็ร้อนอีกเพราะอะไรเพราะมันเป็นไฟไปจับที่ไหนมันก็ร้อนหมดเว้นเสียแต่มุดลงไปในน้ำจับเออมันไฟดับแล้วมันก็คงไม่ร้อนแต่ตา ม, มจริงถ้าเขาเต้มน้ำขึ้นมาไปลงไปจับเในน้ำร้อนมันกน็ลวกมืออีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันไฟ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 กรชั่วให้ผลไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ใครอื่นนะเดือดร้อนนะอตัวเองเดือดร้อนถึงใครจะบังคับให้ตัวเองทํอาอบังคับให้ทําเราก็รู้ว่าไม่เป็นไฟแล้วจะไปจับทํบาไหมบังคับให้จับไฟเราไปจับใช่ไหมเราโง่ถึงขนาดนั้นใช่ไหยหรือเรามีผลประโยชน์อะไรถึงจะไปจับไฟ เ, เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนอเราต้อง